สาสิบสี่คำว่าทุกในาศาสนาพุทธวงเล็บเปิดยี่บสามกุมภาพันธ์2550ห้าห้าสิในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสี่สิบเอดวงเล็บปิดจิตใจโดยตัวของมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งจะคิดนึกปรุงแต่งทั้งวันเราห้ามมันไม่ได้และไม่ได้ฝึกห้ามพอสติปัญญาเราแก่รอบเราจะเห็นจิตใจนี้ปรุงแต่งไปไม่ใช่ไม่ปรุงแต่ง จิตพระอรหันต์ก็ปรุงแต่งเป็นธรรมดาหน้าที่ของจิตต้องคิดนึกปรุงแต่งแต่เราไม่เติมอะไรลงไปอีกแล้วไม่ใช่ว่ามันปรุงสุขขึ้นมาเราก็เติมความพอใจลงไปแล้วก็หาทางดิ้นรนเพื่อรักษาความสุขหรือความทุกข์เกิดขึ้นเราก็เติมความไม่พอใจลงไปแล้วก็ดิ้นรนเพื่อจะขับไล่มันใจไม่เติมอะไรลงไปรู้แล้วจบลงที่รู้ใจก็ไม่มีการปรุงแต่งต่อ จิตมันปรุงโดยตัวของมันเองแต่พอเราไปรู้แล้วเราไม่ปรุงต่อจิตปรุงแต่งไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าเราเข้าไปปรุงแต่งเมื่อไรเราก็จะทุกข์ความทุกข์จะเกิดขึ้นรู้ลงไปใจจะไม่ปรุงพอใจไม่ปรุงก็จะไม่ทุกข์บางทีเรารู้ว่าเราซึมเศร้าหดหูแต่มันไม่หยุดก็ไม่ต้องอยากให้หายสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุของมันยังอยู่มันก็ยังอยู่แต่อยู่ที่ว่าใจของเราเป็นกลางกับมันหรือไม่ ถ้าใจของเราเห็นความซึมเศร้าหดหูโดยไม่ได้อยากให้หายแค่สักว่ารู้สักว่าเห็นใจไม่ทุกนะจิตซึมเศร้าหดหูไปอย่างนั้นแต่ใจเราไม่ทุกเลยเพราะฉะนั้นในที่สุดเราจะอยู่กับโลกได้โดยไม่ทุกขันนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแต่จิตใจไม่ทุกเลย